การไปหาหมอดูเป็นเรื่องงมงายหรือไม่ถามอ่านเรื่องกรรพยากรแล้วสงสัยว่าหมอดูอย่างอุปการะมีจริงหรือไม่จะไปหาได้ที่ไหนและตามหลักการแล้วการดูหมอเป็นเรื่องงมงายหรือเปล่าหมายเหตุผู้อ่านหมอดูอุปการะคือตัวละครตัวหนึ่งในหนังสือกรรพยากรนะครับที่ใช้หลักการดูดวงด้วยหยาดหรือใช้พลังจิตดูดวงนะครับ ผมได้รับคำถามนี้บ่อยที่สุดตั้งแต่เขียนกรรมพยากรบทแรกๆก่อนจะตอบก็ขอพูดถึงหลักการทั่วๆไปสักนิดหนึ่ง 1. ผมตั้งใจให้อุปการะเป็นตัวละครเป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนอย่างเช่นที่บอกไว้ในเรื่องว่าถ้ากฎแห่งกรรมพูดกับมนุษย์ได้ก็คงพูดเหมือนอุปการะนี่เอง 2. หากใครศึกษาและปฏิบัติตามวิชา รู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าเหมือนเช่นที่พระป่าพระทุดงท่านยังมีทรรมกันอยู่ในปัจจุบันก็ย่อมได้รับอนิสงค์ดังเช่นที่พระเถระในครั้งพุทธการท่านยืนยันไว้คือจะสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องกรรมและวิบากทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตรู้ฐานะว่ากรรมอย่างนี้คือเหตุให้เป็นไปได้อย่างนั้นรู้ฐานะว่ากาลังเสวยผลอย่างนั้น เพราะเคยทำกรรมไว้อย่างโน้นมอดูอุปการะเคยเป็นพระมาก่อนรวมทั้งเคยศึกษาแต่วิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าไม่ได้เปิดตำราหโหราศาสตร์เล่มไหนตรงนี้ก็พยายามสอดแทรกไว้ในเนื้อหาของเรื่องแล้ว 3. ผมอยากบอกทุกท่านที่อ่านว่าการศึกษาให้เข้าใจเรื่องกรรมวิบาก และการหมั่นสำรวจว่าเรากำลังทำกรรมอันใดยอยู่มีประโยชน์ยิ่งกว่าไปถามหมอดูให้รู้อนาคตเอาดือด้อๆอย่างไรก็ตามผมก็ไม่ได้สร้างมุมมองให้เห็นอาชีพหมอดูหรือการไปดูหมอเป็นเรื่องน่ารังเกียจเพราะหมอดูดีๆที่ให้คำแนะนำลูกค้าประพฤติปฏิบัติอยู่ใ น, นศีลสัตว์ก็มีและลูกค้าที่ดูหมอแล้วคลายใจหายทุกข์ได้ก็มี คราวนี้ตอบคำถามพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมก็คือผมเคยพบท่านที่ประกาศตนว่าเป็นหมอดูดึงคนไปสนใจห้อมล้อมกันมากแต่เอาเข้าจริงคือเมื่อไปนั่งตรงหน้าท่านจะทักทันทีเลยว่าเคยไปทำกรรมอันใดมาแล้วควรระวังเนื้อระวังตัวไว้อย่างไรนอกจากนั้นก็เคยได้ยินได้ฟังการเล่าลือว่ามีหมอดูที่เก่งขนาดบอกชื่อ และบ้านเลขที่ของคนยังไม่เคยเห็นหน้าได้ถูกเพราะฉะนั้นด้วยส่วนตัวก็ยอมรับว่ามีอะไรแบบนี้อยู่ในโลกและมีมานานแล้วผมเองพบคนที่มีความสามารถพิสดารทางจิตตั้งแต่ยังไม่สนใจพุทธศาสนาจริงจังด้วยซ้ำก็เลยไม่ประหลาดใจมากแต่คนยังไม่เคยเจอก็ต้องคลางแคลงเป็นธรรมดา ส่วนคำถามที่ว่าจะให้ไปหาหมอดัชนิดนั้นที่ไหนพรเอิญท่านที่ผมเคยรู้จักและเห็นความสามารถของท่านมากับตาท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วส่วนที่เหลือที่เป็นเสียงร่ำลือผมก็ไม่ทราบหลักแหล่งที่อยู่และไม่เคยคิดค้นหาสำหรับคำถามที่ว่าการดูหมอเป็นเรื่องงม ง, งายผิดหลักการหรือไม่ก็ขอตอบว่า วิชาเคลดลางต่างๆจะมีกฎเกณฑ์วิธีทํานายตามสถิติถ้าหลักเกณฑ์นั้นมั่วขึ้นมาลอยๆเพื่อชักนําให้คนเริ่มใส่ดื้อๆก็เรียกว่างมงายแต่ถ้าหลักเกณฑ์นั้นแม่นยำํำพิสูจน์ได้ว่าถูกมากกว่าผิดก็เรียกว่าเป็นศาสตร์ศาสตร์มีอยู่มากศาสตร์ใดชักจูงไปสู่ความเห็นที่ถูกความเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษ ความเห็นว่าบาป ก, กรรมเป็นสิ่งควรกลัวความเห็นว่าศีลธรรมเป็นสิ่งควรรักแม้ศาส์นั้นจะไม่ถูกประทับตรารับรองให้เป็นวิชามีหน้ามีตาในมหาวิทยาลัยก็อาจจะดีเสียกว่าศาสที่สอนกันอย่างมีหน้ามีตาในมหาวิทยาลัยไม่มีใครเห็นว่างมงายแต่กลับยั่วยุให้พลิกแปลงชักชวนกันทางตรงหรือทางอ้อมให้คดโกงกัน โดยปราศจากข้อแนะนำทางจริยธรรมวิชาแบบนั้นแม้ช่วยให้ฉลาดทำเงินแต่ก็โง่เรื่องกรรมได้เหมือนกันครับสรุปแบบไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับคำถามนักผมว่าสนใจศึกษาเรื่องกรรมดีกรรมชั่วที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้ลึกซึ้งเป็นดีที่สุดคนเราพออุ่นใจกับความรู้ สบายใจกับกรรมดีในปัจจุบันของตนก็จะไม่หวาดกลัวอนาคตเลยแม้ต้องตายกระทันหันก็รู้สึกปลอดภัยอยู่นั่นเองใจจะไม่อยากถามอะไรหมอดูหรอกเชื่อเถอะ